ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพลังพิเศษในพุทธศาสนาเนื้อพลังจักรวาลโดยพระท่านโูธิรักเมื่อวันที่28พุทพฤศกิกายนสาร้ยสที่พุทธสถานสันติอสกขอเชิญท่านติตตาราฟังได้ณนะ บัดนี่ะจะเจริญธรรมทุกๆคนวันนี้ฟังเสียงก็คงจะรู้ว่าอาตมาเสียงมันไม่เคยหล่อเท่าไหร่ก็เครื่องมันชารุดแล้วคอเนี่ยมันไม่มีอะไร แต่ชิงองไรเขาก็รู้กันมนุษย์เราสามารถที่จะสมมติลงไปแล้วก็บอกกล่าวกันบอกไปถึงความจริงบอกไปถึงสัจจะที่ลึกซึ้งถึงระดับนามธรรมระดับจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยจะมาบอกแล้ ว, ว่าเป็นพลังงานหลายคนพวกนักอภิธรรมเคยมาม า, มาทวงอาตมาว่า พูดนอกพปฏตปิฎกไม่มีพระฏิปิฎกเล่มไหนเราบอกวิญญาณคือพลังงานบอกอาใช่ไม่มีภาษาพลังงานอย่างเงี้ยเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ภาษานี้ทาง ส, สมัยพระพุทธเจ้ายังไม่รู้เรื่องหรอกอเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็จะไม่มีได้ยังไงในาาพระฏิปิฎกเป็นภาษาสมัยใหม่แล้วมันก็เป็นคุณลักษณะเดียวกันนี่แหละที่เรียกว่าพลังงานนี่แหละคุณลักษณะเดียวกัน แต่ว่าวิญญาณหรือจิตวิญญาณเนี่ยคุณลักษณะมันลึกซึ้งมากกว่ากันสูงส่งมากกว่ากันนะเป็นพลังงานและพลังงานเหล่านี้ถ้าจะจับความหมายที่จะเอาความหมายของภาษาฟิสิกส์มาเรียกมันมันพลังงานสภาพมีลักษณะของความร้อนลักษณะแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรต่างๆพวกนี้เป็นเชิงเอา ภาษาของฟิสิกส์มาเรียกก็ได้แล้วก็มีลักษณะนั้นอยู่ด้วยในพลังงานจิตวิญญาณนี่มีคุณลักษณะของความร้อนมีคุณลักษณะของแสงมีลักษณะของเสียงมีลักษณะของแม่เหล็กมีลักษณะของไฟฟ้าอยู่ในนั้นเสร็จจริงๆด้วยและมีลักษณะที่เก่งกว่านั้นอีกถึงกัรนชีวะนะเป็นพลังงานที่เก่งกว่านั้น พระอาตมาได้เคยเอามาอธิบายถึงพลังงานในระดับที่โบราณอาจารย์ว่าไว้ก่อนแล้วนะแยกไปเป็นพลังงานของอุตตุพีชะจิตปัญญาณกรรมธรรมะซึ่งนิยามมาไว้5้าลักษณะเนี่ยเป็นพลังงานจิตปัญญาณนี่แหละไม่ใช่พลังงานในจิตปัญญาพลังงานในโลกนี่แหละมีได้แยกออกมาถึง 5้ลักษณะนี้ด้วย5้แขนง5ประเภทนี้ด้วยและมันจะมีอะไรต่างกันอย่างไรมีตัวชี้บ่งชี้บอกว่ามีอาการมีคุณภาพมีคุณสมบัติอะไรยังไงชีวะในระดับพีชะมีคุณสมบัติอย่างไรชีวะในระดับจิตปัญญามีคุณสมบัติอย่างไรหรือพลังงานในระดับกรรมจะมีคุณสมบัติอย่างไร พลังงานในระดับธรรมะนีคุณสมบัติอย่างไรนะมีรายละเอียดเข้าไปอีกในธรรมะก็มีรายละเอียดกรรมก็มีรายละเอียดจิตก็มีรายละเอียดพิชชะก็มีรายละเอียดอุตตุก็มีรายละเอียดเจนะตามาเขียนไว้ในหนังสือจักรวาลชีวิตหรือนิยายนิยามแห่งชีวิตก็เขียนไว้แล้วนะเขียนไว้ก็ ได้ขนาดนั้นแหละก็คงจะเขียนต่ออีกอาจะเขียนขยายความบรรยายอะไรไปอีกมากมายอยู่นะเพราะว่ามันเป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่มนุษย์รู้แล้วเข้าใจแล้วเอาไปใช้เอาไปอาศัยเอาไปทําประโยชน์ได้คนที่มีความรู้ถึงเรื่องพลังงานพวกนี้และสามารถที่จะจับหรือมีความสามารถในการที่จะเข้าไปควบคุม พลังงานเหล่านี้ได้เช่นทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพลังงานระดับอุตจุเนี่ยเขาเข้าใจมากสามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยเป็นพลังงานทางวัตถุโดยตรงเลยเป็นพลังงานที่ก็จับพลังงานในโลกนี้แหละซึ่งมันไม่มีชีวะมันไม่เป็นชีวะมันเป็นพลังงานระดับความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไรก็แล้วแต่มันก็เป็นพลังงานที่มันโอ้โหวิจิตซับซ้อนมากมายใหญ่โต เยอยะเลอะมาก ซ, même, ซับซ้นอนลึกซึ้งจนแล้วท่านก็เอามาใช้กันเนี่ยใช้เป็นมาเอามาหยิบมาใช้ในอะไร ika, อะไร Dust ต่างๆนานาพลังงานแสงระดับเลเซอร์พลังงานความร้อนพลังงานความไฟฟ้าพลังงานอะไรไปจนกระทั่งถึงนอกโลกนอกเลิกไปถึงไหนๆหนไหนมีแสงมีเสียงมีความร้อนมีแม่เหล็กมีไฟฟ้าอะไรก็ตามแต่ได้ กว้างไกลนะเพราะฉะนั้นพังงานแบบนี้นี่มันก็มีมากมีไมยแต่มันก็เป็นชีวะไม่ได้คนก็พยายามจะเอามาประกอบให้มันเกิดมาเป็นชีวะ น, นะเอามาประกอบเอามาพยายามที่จะเอามาทำเป็นเป็นคนเอามาใช้ในคนมีความรู้เรื่องเหล่านี้มาประกอบเป็นคอมพิวเตอร์มีกลไกมีอ ะ, อะไรต่างๆนานาควบคุมด้วยไฟฟ้าควบคุมด้วยแม่เหล็กควบคุมได้ กระแสอะไรต่างๆนาฬิกลไก่พวกนี้ซับซ้อนจนกระทั่งมันประกอบเหมือนเป็นคนให้สามารถมันกําหนดสั่งให้มันทำได้เหมือนคนรู้เหมือนคนอะไรเหมือนค น, นที่ทําเป็นหุ่นยนต์เป็นหุ่นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวนี้ที่เรียกว่าคนเหล็กที่เขาเอามาเล่นหนังแล้วก็คิดฝันเฟื่องจะให้มันเป็นตัวแทนคน เรอเอามาประกอบเข้าไปให้มันเหมือนคนให้ได้นะมันเหมือนมีความรู้สึกเหมือนคนเลยนะมีหัวจิตหัวใจมีความรู้สึกทุ ก, กข์รู้สึกสุขรู้สึกอะไรของเขานี่ยแหละรู้สึกเศร้ารู้สึกดีใจอะไรไปตามเรื่องตามราวอะไรเขาก็หวาดไปเขาจะให้มันเป็นมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยทีเดียวเขาก็พยายามพยายามจะคิดคนพยายามที่จะทําลงไปมันไม่ได้หรอก อาตมาเขายืนยันว่าทำไม่ได้หรอกข้ามขีดมาเป็นยิ่งมาเป็นจิตวิญญาณมนุษย์เนี่ยเป็นคนเหล็กนี่เป็นวิญญาณเหมือนมนุษย์เลยไหมมีความรู้สึกมีไอ้นู่นไอ้นี่เขาพยายามฝันเฟื่องไปทำเป็นในหนังดูมันเป็นอะไรก็สราบเป็นหนังไปนะสมมุติเอาความจริงมันเป็นไม่ได้หรอกไง พลังงานยิ่งใหญ่พลังงานมากในระดับของในจักรวาล น, นี้เนี่ยพลังงานออกมาจากตรงไหนก็แล้วแต่ที่พื้ต้นต่อของพลังงานแล้วก็มีคุณภาพมีคุณสมบัติอะไรต่างๆโอ้โหรุนแรงมากมายซับซ้อนอย่างไรก็แล้วแต่จากพระอาทิตย์เนะี่ยพลังงานพิเศษอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในพระอาทิตย์มันมีมากจนกระทั่งเกินในโลกเราเนี่มันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้มีขึ้นขนาดนั้นจะมีพลังงานรุนแรง ลึกซึ้งซับซ้อนยังไงก็แล้วแต่อยู่ในดวงอาทิตย์อยู่ในยิ่งกว่าดวงอาทิตยต์เป็นพลังงานรวมยิ่งกว่าอาทิตย์5ดวงรวมกันสิบดวงรวมกันร้อยดวงรวมกันอะไรก็ตามใจเถอะอยู่ในนน บ, บูลาอยู่ในกาแล็กซีไหนไหนที่มันจะเป็นพลังงานที่ในมหาจักรวาลนี้ที่ไม่ใช่พลังงานที่เป็นชีวะจะมากจะยิ่งใหญ่อย่างไงมันก็เป็นลักษณะหนึ่งเรียกว่าอุดตุกนะ มันไม่ใช่ชีวะพอเริ่มต้นมาเป็นชีวะชีวะก็ยังแบ่งออกเป็นสองประเภทพีชะขนาดหนึ่งจิตปัญญาณในขนาดหนึ่งพลังงานพีชาก็เป็นพลังงานที่มีคุณลักษณะมีสัญญาสังขารแต่มันไม่ใช่วิญญาณมันมีการกำหนดรู้อย่างพลังงานในต้นไม้ในพีชานี่พลังงานในต้นไม้ก็ต้นไม้แหละหรือสัตว์ประเภทสัตว์เซลเดียวสัตว ชั้นต่ำเนี่ยมันก็มีแค่กำหนดรู้เรียกว่าสัญญาสังขารปรุงปรุงแต่งแต่มันไม่มีอารมณ์มันไม่มีความรู้สึกทุกข์สุขมันไม่มีเวทนาเพราะฉะนั้นเรายังไม่เรียกว่าวิญญาณพระบุตรเจ้าตรัสว่าอันนี้เป็นอุปอนุ ป, ปาทินากาสังขารเป็นสังขารที่เนี่ยเป็นสังขารที่เป็นองค์ประกอบ ประกอบที่มันมีพลังงานในระดับหนึ่งเป็นพลังงานระดับพีชะไม่ใช่ระดับจิตวิญญาณนี่ว่าอนุ ป, ปา ท, ทนาาาินกาสังขารเพราะมันจะมีคุณภาพขนาดนั้นแหละคุณสมบัติมันก็ขนาดนั้นอยู่มันก็อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้ น, นจะบอกว่ามันจะพัฒนาข่ามาเป็นจิตวิญญาณได้ไหมมันก็ยากอีกแหละก็เหมือนกับอุตุ มหาพีชรือมหาจิตนะนั่นก็น่าเข้ามันอย่างนั้นนะมันไม่มีความรู้โดยเฉพาะในระดับพลังงานระดับจิตปัญญาเนี่ยจะไม่มีตัวรู้โดยอัตโนมัติของตัวเองถึงขั้นจ ะ, จะเจริญไปรู้จักกรรมไปรู้จักธรรมะพลังพลังงานพวกนี้มันจะไม่มีตัวตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะรู้จะเข้าใจจะเลือกเฟ้นแล้วก็จะเอามาใช้ได้ เพราะฉะนั้นในขนาดเรื่องของกรรมพิชิตมันไม่รู้เรื่องอ่ะไม่มีประสิทธิภาพถึงคุณภาพมันไม่ถึงนะแต่พลังงานชีวะเป็นพลังงานอัตโนมัติมันรู้ในตัวมันเองมันกําหนดด้วยมันเองอันนี้คือแสงอันนี้คือความร้อนอันี้คือน้ำอันี้คือดินมันรู้อันนี้คือธาตุเพราะฉะนั้นต้นไม้อันนี้มันจะต้องใช้ธาตุนี้มาเลี้ยงขันมันรู้มันกําหนดรู้มันมีสัญญาแล้วมันก็สังขารแล้วมันก็เอามาปรุงมาแต่งของมันมันทำของมันเอง ไม่มีใครไปทําพระเจ้าไม่ได้สั่งไม่มีอานาจพระเจ้ามาสั่งมันมันคำวันเองมันเป็นอัตโนมัติของมันตระกูลอะไรพันุอะไรมันก็เป็นผีชะของมันไปแต่มันไม่มีเวทนาเพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกวิญญาณมันไม่มีพลังงานในระดับที่จะไปถึงลักษณะเวทนาที่หมายความว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึก วันนีความรู้สึกเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่ามีโปรตีนคาร์โบเมียโมเมเดากันไปนะบอกโอ้ยต้นไม้มันมีความรู้สึกร้องเพลงให้มันฟังและมันก็มีความสุขมันอะไรแต่ไดก็ะวากันไปคือนอกเรื่องพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะนะพระพุทธเจ้าเราก็สอนไว้อย่างนั้นแต่พวกนี้ก็กเขาว่าเป็นพุทธเหมือนกันนะเขาก็ว่าไว้มันจะต้องไปเปิดเดี๋ยวนี้คงจะต้องเปิดซีดีเนาะแต่ก่อนนี้มันเปิดแค่ผ่นเสียงเปิดเทปเดี๋ยวนี้เปิดซีดีให้ฟังเลยต้องเอาซีดียี่ห้อดีๆนะ ฟังอะไมันฟังนะก็ว่ากันไปตามความเข้าใจของเขาเองแต่ความจริงมันไม่ใช่เทตมาขยายความว่าต้พลังงานในระดับนี้เนี่ยมันไม่รู้จักกรรมหรอกมันกําหนดกรรมไม่เป็นมันไม่มีปัญญามันไม่มีความฉลาดมันไม่มีพลังงานมันไม่มีประสิทธิภาพถึงขั้นไปรู้จักกรรมรู้จักธรรมะอย่าไปพูดถึงพลังงานในระดับพีชะเลยพลังงานระดับจิตปัญญาอยังแบ่งไปในซ้อนเข้าไปลึกๆในนั้นแต่ว่ามัน เจริญในตัวของมันเองได้พลังงานของคนเนี่ยพลังงานจิตปัญญานเนี่ยหรือสัตว์โลกเนี่ยสัตว์เดรัจฉานพัฒนามาเป็นคนได้ในศาสนาพุทธเราเป็นอย่างนั้นเพราะในคนเองไม่ต้องไปพูดถึงเดรัจฉานเลยในคนนี่สามารถจะรู้จักกรรมคนพลังงานจิตปัญญาของคนเนี่ยเป็นพลังงานที่อยู่ในแต่ละคนมันเฉลียวฉลาดเลยมันสามารถที่จะไปรู้จักกรรม โดยเฉพาะแยกวิเคราะห์ไปรู้จักถึงขนาดขั้นธรรมะอะไรเป็นธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้นะธรรมะอย่างที่เรียกว่าอันนี้เป็นธรรมะที่มันเป็นอกุศลเป็นพวกกิเลสตัณหาเป็นตัวเลวร้ายเป็นตัวซาตานอันนี้เป็นกุศลเป็นตัวเทวะเป็นตัวพรหมเป็นตัวผู้สร้างเป็นตัวตผู้ที่เป็นคุณค่าประโยชน์ลักษณะอาการอย่างเงี้ยคุณลักษณะเงี้ยอยู่ในตัวเราเนี่ยเราเหมือนแทงทดลอง มันหลอดทดลองที่มีพลังงานจิตวิญญาณอยู่ในนี้อยู่แล้วทุกคนมีพลังงานจิตวิญญาณอยู่ในนี้แล้วเพราะนั้นสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณเลยวิเคราะห์วิจัยอาการอารมณ์ลักษณะต่างๆโอ้นี่จับได้แล้วเนี่อ่านได้จับได้ซึ่งมันจะมีตัวปัญญาในตัวเองแล้วก็มีปัญญาตัวเองเนี่ยมารู้ซอ้อนลงไปในจิตวิญญาณตัวเอง มาวิเคราะห์วิจัยจิตวิญญาณตัวเองม า, าโอ้ลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของอาการพลังงานทางจิตวิญญาณที่เรียกว่ามันเป็นตัวกิเลสตัณหาอุปท า, านเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นต้นอ้อย่างนี้อาการอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเกิดอยู่เดียวนี้เป็นอย่างนี้ใครสามารถเรียนรู้จับรู้ได้ก็รู้ไปแล้วมันก็มาทํากรร ม, ม ก, กุศลมันก็ทําอย่างกุศลอกุศลมันก็ทําอย่างอากุศล และกรรมพวกนี this this ้เรามันเป็นพลังงานสืบทอดเป็นพลังงานที่จะหมุนเวียนอยู่ในวัตตะสงสารนี้แล้วก็สร้างให้มาบรรจุอยู่ในตัวคนหมุนเวียนตามกรรมวิบากถึงพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลพบสัจธรรมพวกนี้คนพบวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ถ้าจะว่าแล้วเนี่ยเป็นพลังงานทางวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่เนี่ยพระพุทธเจ้าค้นพบวันนี้คนเนี่ยยัมีพลังงานพวกนี้สั่งสมสิพิสูจน์ทัดทายพิสูจน์อีกพิสูจน์พลังงานพวกนี้ไว้ ของใครก็ของใครว่าจะจะรู้จะเห็นของตัวเองนี่แหละเพราะตัวเองจะพกพาไปด้วยตัวเองจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของอัตตาเจ้าของสิ่งที่จะพกพาพลังงานนี้ไปบุ้นเวียอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยจนกว่าจะปรินิพานที่จะเลิกล้างได้เลิกล้างพลังงานนี้ได้ด้วยความตัดสู้สุดยอดวิเศษของนักวิทยาศาสตร์เอกที่ชื่อว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค้นพบเนี่ย สามารถที่จะรู้จักพลังงานอันนี้ดีเยี่ยมแล้วก็สามารถที่จะหมดจบพลังงานอันนี้เลิกราไม่ต้องสืบต่ออีกในวาระที่เมื่อเราทําลายแท่งทดลองกับหลอดหลอดทดลองแท่งนี้สุดท้ายแท่สุดท้ายเรียกว่าขันกายกายสระเนี่ย ทำลายแตกทำลายพร้อมกันนั้นก็สามารถที่จะมีความความเก่งสามารถที่จะมีสมรรถนะหยุดพลังงานที่มันมาเกาะกลุ่มหรือมันมาทำงานสืบเนื่องสืบต่ออยู่ยาวนานนานับกับการไม่รู้กี่ชาติตอกี่ชาติไม่รู้กี่ล้านล้านลาน้ลานปีแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยสามารถลมเลิกได้ หรือสามารถที่จะล้างพลังงานที่ชั่วพลังงานซาตานพลังงานเลวร้ายให้ดับสูญไปเลยไม่เกิดอีกไม่มีอีกไม่มีสิทธิที่จะมาเกิดอยู่ในกลุ่มพลังงานของแต่ละอัตตาแต่ละบุคคลเนี่ยของ อ, อ, อัตภาพอัตมันก็ได้แต่อัตมันอันนี้จับได้ตองได้มีฤทธิ์มีแรงมีอะไรพิสูจน์ได้ชัดเจน จะมีความสามารถยิ่งใหญ่ขนาดไหนประเสริฐเลิ่ยอดขนาดไหนก็แต่ละคนทําได้เองไม่ใช่ว่ามีพระเจ้ามามาสร้างมาสั่งมาบรรดาให้คนนี้ดีอย่างนี้คนนั้นเลวอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างคนนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าในเกิดท่ามกลางาศาสนาที่มีพระเจ้ า, าศาสนาอื่นลทัทธิอื่นเขามีพระเจ้ากันมานานยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าเกิดมาแล้ว ท่านตรัสรู้งท่านก็ไม่ใช่เพิ่งจะมาตรัสรู้ท่านก็ตรัสรู้มาศึกษามาต้องไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติพอมาชาติสุดท้ายแล้วก็ตรัสรู้สุดยอดก็ถึงวาระถึงวาระที่ท่านจะต้องเผยแผ่สัจจะเปิดเผยความจริงอันนี้เพราะมันสูญหายไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์กัแก่โลกโลกมนุษย์ไม่รู้จักสัจธรรมท่านก็ต้องเปิดเผยสัจธรรมแล้วก็ให้สัจธรรมอันนี้มาเป็นประโยชน์แก่โลกแก่มนุษยชาติถึงเวลาถึงวาระของท่านจะต้องทํา เ้าก็เปิดเผยความจริงพวกนี้นะประเมษแต่พลังงานระดับจิตวิญญาณที่แยกวิเคราะห์ออกมาเป็นกรรมเป็นธรรมะจิตวิญญาณเนี่ยสรมมารู้พลังงานที่เรียกว่าอย่างนี้กรรมเพราะจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงจนก่อกายกรรมวจีกรรมแม้แต่ในมโนเองในใจเองอ่าก็แต่ละคนที่เป็นเจ้าของ เจ้าของอาตามันเจ้าของอัตภาพนั่นแหละเป็นผู้ที่จะทำให้มันอะไรล่ะแล้วก็จะล้างลดพลังงานที่มันเลวร้ายมีวิธีจริงๆพระพุทธเจ้ามีวิธีล้างออกไปจะอาตามันนี้ล้างออกไปจะอัตภาพของแต่ละคนของใครของใครก็ของมันเพระพระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสว่าท่านเองท่านมีสิแต่จะบอกทาง ชี้ทางให้บอกวิธีให้บอกความจริงให้ท่านทําแทนไม่ได้บรรดาลให้ไม่ได้คนนี้มามาถึงจะบรรดาให้ดีให้เป็นเจริญให้เนีมีบุญให้เนมีความเก่งกล้าอะไรท่านบรรดาให้ใครไม่ได้นะบรรดาให้ได้ดีๆให้ได้ตกยากให้มีทุกข์ให้มีสุขอะไรท่านบรรดาให้ใครไม่ได้นี่ท่านตรัสรู้เป็นความรู้ของพระเจ้าหรือว่าสัจธรรมที่ท่านตรัสรู้นี้ท่านยืนยันว่าเป็นความจริง ใครเชื่อก็มาปฏิบัติทางนี้มาเอาอย่างนี้มาเรียนรู้พิสูจน์อันนี้ใครไม่เชื่อก็ไปมีอาจารย์บรรดาบ ร, บรมาศาสดาอีกหลายเยอะแยะของแต่ละแต่ละหลายาศาสนาเขาก็ตัดสรุปเขาเข้าไปอย่างนั้นน่ะของใครของมันความเห็นต่างกันแต่ของพระพุทธเจา้าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีพลังงานในระดับจิตวิญญานี่ก็ยังมีความสามารถที่เหลื่อมล้ำกัน คนที่มาศึกษาภาคเพียนฝึกฝนในจิตวิญญาณตัวเองให้มีปัญญาญาณให้มีความรอบรู้อย่างก็ไปถึงความจริงสร้างความจริงก็คือสร้างพลังงานของตนเองนั่นแหละสร้างจิตวิญญาณตนเองนั่นแหละสร้างสร้างโดยทําลายสิ่งเหลวไหลเลวร้วายคือจิตวิญญาณที่มันเหมือนกันมากจิตวิญญาณที่เป็นกิติเลตนาอุปทานพระพุทธเจ้าท่านยืนยันพลังงานนนี้ไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นตัวแขก แขกจรเรียกว่าอาคารถกกะเข้ามาแสงเข้ามาแฝงเข้ามายึดครองเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราสามารถจับได้และทำลายทำลายโดวยวิธีที่พระเจ้พาพาทำเนวิธีที่ปฏิบัติวิธีที่เรียกสั้นๆง่ายๆก็คือวิธีวิปัสสนากับธรรมถะททำลายมันจะต้องมันไม่มีพลังงานนั้นมันดับ พลังงานอย่างนั้นมันดับในตัวเราในอาตามันในตัวเรานี่พลังงานอย่างนั้นมันเกิดอีกไม่ได้มันหยุดสนิทมันดับสนิทมันไม่เกิดอีกเลยต่อไปท่านได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นได้จริงเยวันนีร้รวดหรือว่าเรียกว่าอนิพานอะไรก็ตามใจดับได้สนิทเหลือแต่พลังงานที่ดีให้ดียิ่งๆเลยสร้างได้อย่างดีได้แข็งแรงได้ทั้งเร็ว ทั้แข็งแรงมีปฏิภาสิทธิภาพสูงด้วยเป็นพลังงานที่ดีแต่ท่านลึกซ้อนเข้าไปจนกระทั่งศึกษาซ้อนไปแม้จะเป็นพลังงานนี้ยังจิตวิญญาณเนี่ยมันยังหลงติดหลงยึดว่าเป็นเราเป็นของเราจึงเรียกว่าอาตามันหรืออัตตายึดว่าเป็นเราเป็นของเรายึดในพลังงานเองเรียกว่าอารมปรอัตตา และพลังงานนี่สามารถที่จะแปลงรูปจะจะมีน้นมีนี่ได้เป็นมโนมยัตตาขนาดไม่มีก็ยังหลอกตัวเองให้มีก็ได้ในวาภาพร้อนมัง่งเสียงร้อนมัง่งอะไรร้อนมันเนี่ยเป็นภาพไม่จริงเหรอะนะเรียกว่ามโนมยัตตาอย่างที่เห็นกันนี่ว่ากันไปทั่วไปหมดเลยมีความสามารถอีกเยอะประสิทธิภาพของพลังงานในระดับจิตวิญญาณนี่ถ้ามีพลังรวมและพลังที่จะฝึกฝนเอาไปใช้ ยังใช้อะไรได้อีกหลากหลายพิสดารจึงเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริ์บ้างอาเทศนาปาฏิหาริ์บั่งอะไรเงี้ยเจอะแยะแต่ว่าอิทธิปาฏิหาริ์อาเทศนาปาฏิหาริ์ก็เก่งแต่มันไม่ประเสริฐสุดในความเป็นคนเพราะมันจะไปข้างเคียงมีผลข้างเคียงคือมันจะทําให้คนเหลืงหรือว่าติดยึดเป็นกิเลสตัณหาอุปทานได้เก่งเนี่ยถ้าเราเก่งทางอิทธิปาฏิหาริ์ก็แหมชักเครื่อ โดยเฉพาะไม่ได้เรียนรู้สัจจะทางโล ก, กุตระเรียนรู้กิเลสเรียนรู้ลดละกิเลสที่มันหลงติดหลงยึดหลงโมหะงงเงาเง า, งาอาวิชชามันไม่รู้จริงๆมันหลงไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้ตัวความจริงที่เป็นสัจจะควรปล่อยควรวางควรละควรเลิกอะไรอะไรอะไ ร, ะไรสาระแท้แท้ของชีวิตคืออะไรไม่คิดนะเก่งได้นะเก่งได้ อยากจะฝึกดูก็ได้แต่พระเจ้าท่านไม่ให้เสียเวลาธรรมสอภิกษุสมณะต่างๆถึงแม้ว่าใครจะมีจะเป็นโดยไปหลงสร้างมาเมื่อไรมันก็มีบ้างไปหลงสะสมไว้มันก็สั่งสมไว้มีบางอยู่อย่างตามมาก็หลงสะสมมาอย่างพวกคุณหลายคนเป็นหลงไปหัดทางอิทธิปัฏิหารมาบ้างไปหัดทางอเทศนาปาฏิหารมาบ้างใดนิดได้น้อยอะไรมันก็เป็นเรื่องจริงที่คุณสั่งสมไปใครสั่งสมไว้มากมันก็มี แต่จะมีจ่างไรก็แล้วแต่ถ้าขึ้นมาเป็นบวชอยู่ในหลักเกณฑ์ของสมณะเป็นสมณะเป็นภิกษุแล้วถึงมีก็ต้องเลิกต้องหยุดต้องพักอย่าเอามาใช้อย่าเอามาทำอย่ามาอวดมาแสดงท่านตรัสเลยเป็นอาบัตทุกกฎห้ามใครแสดงทุกกฎนี้ก็คือเป็นกฎนั่นแหละเป็นกตังเป็นกฎที่พระพุทธเจ้าทานตรัสไว้ แม้ไม่ได้บรรจุอยู Northeast ่ในหมวดวินัยไม่ได้บรรจุในหมวดศีลไม่ได้บรรจุในหมวดไหนอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นภาษิตเป็นคําตรัสเป็นคําสั่งว่าอย่าปปฏิบัติอย่าเอามาปฏิบัติอันนี้ถ้าใครไปปฏิบัติละเมิดละเมิดคําสั่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่างนี้ไว้แล้วอย่าทำอันนี้อย่าทำนะแม้ไม่ได้อยู่ในหมวดวินัยไม่ได้อยู่ในหมวดอะไรก็ตามถ้าไปละเมิดเข้าะเตเรว่าพิษ คำตรัสนั้นเรียกว่าทุกกดทุกแปล ว, ว่าไม่ดีไปละเมิดห ล, ลักเกณฑ์หรือกฎหรืออะไรที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้แล้วว่าไว้แล้วตรัสไว้แล้วทุบภาสิท์หรือทุกกดภาสิทก็คือคําที่ได้ตรัสแล้วภาษาที่ได้พูดแล้วพูดแล้วและไปละเมิดที่ท่านตรัสไว้ว่าอย่าทำก็ทุบภาสิท์หรือทุกกดไปละเมิดคําตรัส ข, ของท่านไปละเมิดหลักเกณฑ์อันนั้น อย่างว่าทุกกดหรือทุกพลาดสิราอยแม่ใครจะมีใครจะเป็นใครจะเก่งหยุดเลิอกอย่าเลยมาพยายามพาคเพียรสร้างอนุสาสนีปาฏิหาริ์คำสอนทัาตรัสมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่ที่อาตมาพูดอย่างโดยเฉพาะโล ก, กุตระอาริยธรรมฝึกฝนสั่งสมให้เป็นนิพพานให้เป็นสูงสุดสกอให้เป็นหลักประกันเพราะมันเป็นกิเลสได้ง่าย สิ่งเหล่านั้นมันมันเป็นอุตริมุสตามือนกันมันเป็นความสามารถที่เหนือมนุษย์ธรรมดาอิทธิปาฏิหาริย์กดีอเทศนาปาฏิหาริย์กดีมนุษย์ธรรมดามันเป็นไม่ได้ต้องฝึกฝนสั่งสมมันถึงจะสามารถเป็นได้คนมันถึงถึงถึงถึ ง, ถ, งถึงอัศจรรย์มหัศจรรย์เป็นเรื่องที่หมายกนธรรมดาสามัญของคนคนมันก็ชอบชอบ แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันพาให้ไม่ใช่ทางนี้บรรลุมันพาให้ชุดมันพาให้ท่วงท่านถึงไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมให้มาศึกษาทั้งเรื่องสิ่งทางอนุสาสนีปาฏิหารคือคําสอนที่ให้ไปบรรลุให้ไปได้เป็นคนประเสบเป็นคนที่รู้จักสิ่งดีสิ่งชั่วที่ชัดเจนแล้วก็ล่างกิเลสให้หมดจริงๆเป็นหลักประกันสะก่อนเมื่อได้หลักประกันอันนี้แล้ว คุณก็จะรู้โลกคุณจะรู้จักอะไระไรในโลกอย่างดีเลยโดยเฉพาะยิ่งเป็นอรหันต์แล้วเป็นอรหันต์แล้วคุณจะไปสั่งสมเพิ่มเติมอีกเชิญเลยทีเดียวเพราะมันไม่ง่แล้ว ม, มันไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรจะไปสั่งสมอีกที่ปฏิหาราเทศนาปฏาิหารไปอีกเท่าไรเท่าไร่ก็สั่งสมไปเลยนะทำไปเลยได้สำหรับตัวตัวเอง พระพุที่รู้แล้วก็ไม่เอามาเปิดเผยผู้อื่นไม่เอามาหลอกล่อไม่เอามาใช้ให้คนอื่นหลงงมงายแต่ส่วนตัวอยากจะทําก็ทำอยากจะฝึกก็ฝึกไปจะใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็เรื่องของของถวนตัวอาตมาเองอาตมาพักยกเอามาใช้ไม่ได้ไมาเดี๋ยวยุ่งแล้วทักบอกอบัตด้วยก็เลยปิดไม่เอาทํางานนี้ก็เหนื่อยแตย่ตายอยู่แล้วยังจะต้องไปซักซ้อมทางโน้นอยู่อีกมันไม่ไหวอะ คนรอพลังงานก็มีเขตจํากัดของใครก็ของไครมีเท่านี้แคลอรี่มีเท่านี้มวลเท่านี้ปริมาณเท่านี้คุณภาพเท่านี้มันก็ต้องมาใช้สิ่งที่มันเป็นคุณค่าประโยชน์ดีกว่าอาตมา ก, ก็มาใช้ทางประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติซึ่งยากมากเพราะวติยุคนี้มันยุคใกล้ากลารียุคแล้วเนี่ยชวนจะการียุคแล้วมันเลวร้ายกันจริงๆเลยไม่รู้จักดีจักชั่วอะไรมันรู้แต่ว่ามันมันละเมิด ชั่วทำชั่วกันหรูปเหลือสาหัสสาคัญนะทารุณตาเลือดเย็นซ้อนไปอีกยังหยาบคายก็ยังมียังหยาบโหดเทียมก็มีไม่โหดเทียมหยาบคายดูมันน่าเกลียดน่าชังแต่ซับซ้อนเลือดเย็นก็ไปโอ้โหกินลึกกินฟังก็องครูความหมายนะมันชั่วประเภทเลือดเย็นนี่ก็มีอีกซับซ้อนอย่างนี้ก็มีอีกในสังคมทุกวันนี้ เน่เขาทำเขารู้นะคนที่เ็าทำเขารู้แนละ้วมามั น, ม, น, ม, นมันเลวร้า ย, ยเลือดเจนเขาเจตนาด้วยหลอกคนอื่นข้างนอกเหมือนมันโอ้โหไม่ได้ทำร้ายใครเลยดีด้วยลงผิดมาเป็นดีด้วยนะแต่ที่ไหนได้โอ้โหเบื้องลึกนะั่นถึงขนาดว่าเป็นหัวหน้าแกง๊งเป็นหัวหน้าแกง๊งแล้วก็ ทำร้ายคู่อาฆาตคู่ต่อสู้หรือว่าศัตรูผู้อยู่ตรงเงื่นข้ามโดยที่หัวหน้านั้นต้องการให้ตายต้องการให้เสียหายบันไลยไปโดยหัวหน้าไม่ต้องสั่งเลยไม่ต้องสั่งไม่ต้องทำเลยจะมีกลไกลูกน้อง ไปทำเองโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วมารายงานเท่านั้นแล้วก็พูดได้ว่าไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมไม่ได้สั่งมีไหมในโลกสังคมทุกวันนี้มีไหมผมไม่ได้ทำผมไม่รู้ผมไม่ได้สั่งผมไม่รู้เรื่องจริงของเข้าทุก ป, ประการเขาไม่ได้โกหกเลยจริงๆนะมันมีถึงขนาดนี้เลือดเย็นมหาศาลเลย เขาไม่ได้สั่งจริงๆเขาไม่ได้วางแผนเขาไม่ได้กระทําเลยเขาไม่รู้เรื่องด้วยแต่กลไกของเครือข่ายของสมุนของอะไรก็แล้วแต่จัดการโดยอัตโนมัติเรียบร้อยาบางทีเนี่ยคนอื่นเขารู้ก่อนที่เจ้าหัวหน้านี่จะรู้ด้วยซ้าไปหรือจริงๆเขาไม่ได้โกหกเลยเขาเพิ่งรู้จริงแต่ลูกน้องสาววอกและเครือข่ายที่ห่างๆ เขาไปจัดการหมดแล้วเรื่องแดงแล้วออกมาหมดแล้วจนคนข้างนอกรู้หมดแล้วแต่เจ้าหัวหน้าเนี่ยยังไม่รู้เลยซ้ำ ร, รู้ทีหลังครับเพราะฉะนั้นปฏิเสธได้ร0อเบริสุทธิ์ใจอย่างนี้เหมือนกันนะเรื่องมันซับซ้อนลึกซึ้งมากทุกวันนี้เนี่ยมันมีผลอะไรแต่ะรรุะแรงเรวร้ายสรุปแล้วก็คือสังคมมนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้จัก สิ่งที่เป็นคุณค่าความดีงามสิ่งประเสริฐของมนุษย์และก็ควรจะเป็นคนประเสริฐที่แท้จริงแล้วจะเป็นคนประเสริฐได้อย่างไรไม่รู้พวกเรามาฟังธรรมที่อาตมาพูดนี่ก็รู้ว่าแนวทางอันประเสริฐที่เป็นอาริยะอาริยะนี่คือประเสริฐก็เข้าใจก็รู้กันดีเยอะนะแต่มันทำง่ายไหมง่ายไหม ไม่ง่ายก็รู้กันอยู่รู้ทั้งรู้กับภาคเพียนไปไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดทาไมมีก็คนที่เขาไม่เข้าใจเลยขนาดเราเข้าใจไม่เถียงไม่ออกเลยจำนนเลยว่านี่ดีจริงๆประสบจริงๆแล้วตัวเราเองอยู่ในตัวเราเองจะแท้ด้วยเลิกมันนะปราบมันให้หยุดเด็ดขาดนะมันยังยากใช่ไหมมันยังยาก เพราะมันเป็นจริงมันเป็นสั่งสมมาจริงมันมีฤทธิ์มีแรงมันมีอำนาจดึงดูดเหมือนแม่เหล็กมีพลังงานแรงเหมือนไฟฟ้ามันกำลังแสงเสียงออกมาบางคนยังไม่ต้องการแสดงเลยออกมาเป็นแสงเลยเป็นราศีเลยราสีชั่วนะไม่ใช่ราสีดีออกมาเป็นแสงเลยเห็นออกมาโอ้โหวับวับเลยนะเอาจริงๆมันเป็นนามาทำในภาษาพูเ น, นี่ยมันเป็น น, นามาทาเห็นไ อ, อ้คนนี้กระทบสัมผัส ใช่เลยแต่ไม่ใช่ใช่อย่างในอะไรในไทยฮ ะ, ะไม่ใช่ใช่เลยอย่างนั้นนะสวยประมาณนี้หวานประมาณนั้นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่เร็วประมาณนั้นนะชั่วประมาณนี้โอ้ใช่เลยเนี่ย เห็นแล้วมันเป็นแสงสีเป็นอะไรออกมาเป็นราศีอ่ะเราเรียกเป็นภาษาคำหนึงว่าราสีโอ้โหราสีไอ้โจ น, นเห็นนะมับเลยใช่แล้วใช่เลยนี่ราสีโจรราสีคนชั่วนะบางคนมันมากถึงขนาดนึงมันไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นรูปรูปธรรมเป็นวัตถุหรอกจะเป็นราศีมีจริงจรนะราสีบุญก็มีราสีบาปก็มีอย่างที่ว่านี่นะ เพราะพวกนี้มันละเอียดละออมันเป็นความจริงมันเป็นพลังงานที่ซับซ้อนเป็นพลังงานที่เยอะแยะมันมีอะไรต่างๆนานาความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอัตมาใช้ภาษาของทางวิทยาศาสตร์ภาษาอัตมาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ใหญ่อะไรนะไม่ใช่นักวิทยาการในเก่ง์กาก็ใช้ไปบ้างเช่นว่าใช้ว่าสนามแม่เหล็กสังคมสนามแม่เหล็กสังคมของชาวอโศกเนี่ยสังคมชาวอโศกนี่ก็มีสนามแม่เหล็กของสังคมชาวอโศกสนามแม่เหล็กของชาวโลกี เขาก็มีสนามไม่เล็กของสังคมชาวโร ก, กี่ของคขาอย่นั้นมีพลังดึงดูดมีพลังเหนี่ยวนํามีความควบนั้นมีอะไรแต่ของเขาเนี่ยนะตามภาษาวิทยาศาสตร์เขาไม่ของเขาจริงจริงนะนะพัดเข้าไปสิโอโหบางทีที่บอกคุณอ่อนแออ่อนแอเข้าไปปุ๊บความควบแน่นก็ามาด้วยว่าความเหนี่ยวแรงเหนียวนำปุ๊บคุณไปเป็นอย่างเข้าเลยปุ๊บเดียวอ่อนแอเป็นคนเป็นขิมพึ่งถูกไฟลนเลยต้องเป็นอย่างนั้นนะ คุณไม่มีพลังที่จะมาต้านมาสู้ยอมต้องเป็นอย่างตามเขาเป็นหมดนะสู้ไม่ได้เลยเนี่ยเป็นพลังงานเป็นสนามแม่เหล็กของสังคมกลุ่มนั้ น, อ ย, น, นอย่างนั้นอย่างนั้นของเราก็ต้องสร้างพลังงานแม่เหล็กสังคมของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครจะพลัดเข้ามาเนี่ยมันเป็นแต่ละโมเลกุลเหมือนกันนะนะแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเข้ามาเนี่ย ไม่มากนักเขาก็จะพกพาพลังงานแม่เหล็กแข่งสังคมหรือว่าเนื้อหาของเขาเข้ามาเหมือนกันใช่ไหมแต่เขามาตกอยู่ในสนามแม่เหล็กของเราเนี่ยถ้าไม่มากไม่มากนักเราสามารถเหนี่ยวนําให้เขามาเป็นอย่างเราเป็นพอได้ถ้าเขาช่วยตัวเองด้วยมันก็จะพอได้ทีเดียวมายิง่งขนาดช่วยตัวเองด้วยจะจินดีด้วยนะถูกเนี่ยวนํามาไม่เจตนาก็เถอะก็จะสามารถถูกเนี่ยวนํามาได้บ้างแต่ถ้ า, ถายิ่งเห็นดีเห็นชอบด้วยทีนี้ก็ต้อง ปรับตัวทำให้เรากลายเป็นโมเลกุลหนึ่งในสนามเมล็กของสังคมนี้เหมือนกันเรียกว่าทิฏฐิสามั ญ, ญาตาหรือศีลสามั ญ, ญาตามีอะไรอะไรเหมือนกันมีกรรมกิริยามีวัฒนธรรมจารีประเพณีมีความรู้ความเห็นความเชื่อถือเข้าใจมียานปัญญาเหมือนกันมาสอดร้อยไปในทิศทางเดียวกันเลย จุดเป้าเดียวกันเลยคนประเสริฐเป็นอย่างนี้ต้องรู้จักกิเลสต้องล้างกิเลสแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีกรรมกิริยาทางจะเป็นกุศลทางโลกีก็ตามเป็นความอดทนเป็นความเคยหันเป็นความกะตันยูกระตะเวทีเป็นความเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือเป็นความเสียสละอะไรต่างๆนานา น, า น, นี่ก็เป็นโลกียะนะโลกียะกับโลกุตระต่างกันอย่างไรโลกียะเนี่ยคือ พฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่เป็นพฤติเป็นบทบาทเป็นลีลาเป็นอะไรอยู่ในโลกนี่ทั้งหมดแหละมนุษย์นี่แหละโดยเฉพาะพฤติกรรมของมนุษย์อยู่ในโลกนี่ทั้งหมดในโว่าโลกีโล ก, กุตระล่ะโล ก, กุตระรู้จากโลกีที่มีกุศลกับอกุศลโล ก, กีนี่ก็มีกุศลกับอกุศลโล ก, กุตระนี่จะเรียนรู้ความจริงว่ากุศลกับอกุศลมันจะต้องชัดเจนจริงๆเลยดีจริงๆ ดีจริงๆทีมันในขั้นสูงขั้นระดับไหนทั้งที่เรียกว่าดีขั้นนั้นขั้นนี้ต้องมีขั้นมีขีดแล้วก็มีต่างวาระต่างกลุ่มด้ย อ, อย่างศีลคนสือส่อศีลหน้าภูมิศีลหน้าก็บอกว่ายังมีรสอร่อยอยู่บ้าง อ, อย่างรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีกามยังมีโกรธอยู่บ้างถือสาเรื่องโกรธเึงนั้นเึงนี้อยู่เท่าที่ควรจะเป็นถือว่าขนาดนี้ละ ถ้าหยาบกว่านี้ถือว่านี่มันต่ําต่ำกว่าเกรดของศีลห้าเราไม่ควรทําถือว่านั่นเป็บาปชั่วแล้วขนาดนี้ถือว่าดีส่วนระดับที่จะสูงขึ้นไปเป็นศีลแปดทางผู้ถือศีลห้านี่ยังไม่ถือว่าไอ้นี่ดีอ่ะศีลแปยังไม่ถือว่าดีเพราะยังทําไม่ได้เอาไว้ก่อนแต่ก็ยกจทุกย่องไว้เอาทางทาไม่ได้ยังไม่ถือว่าบาปนั่นแหละ เพราะว่าจะไปทําละเมิดที่ศีลแปดละเมิดศีลห้าก็ยังไม่ถือว่าบาปเพราะว่าศีลแปดผู้นี้มีภูมิขั้นนี้ถืออันนี้ถ้าท่านไปละเมิดท่านบาปแต่ศีลห้ายังไม่ถึงยังไม่ถือว่าอันของศีล8ดนี้จะเอามาถือของเรามาเป็นบาปก็ยังไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นจนกว่าเราจะมีภูมิสูงขึ้นถึงศีแลแปดเราก็ถือว่านี่แหละภูมิศีลแปดถ้าอย่างศีลห้านี่ถือว่าบาปแล้ว ยิ่งต่ำกว่านั้นก็ไม่ต้องพูดเลยสูงขึ้นไปก็ยังไม่ถือว่าบาปศีนแปยังใช้เงินใช้ทองอะไรเป็นตน้นก็ยังใช้เงินใช้ทองอยู่ยังไม่ถือว่าบาปจนกว่าจะศีนแปสมบูรณ์ขึ้นไปเป็นศีนสิบสินสแล้วทีนี้ใช้เงิ น, ใ ช, งนใช้ทองบาปแล้วยิ่งต่ําไปกว่านั้นก็ไม่ต้องพูดก็ต้องบาปแนะ่อะไรอย่างนี้นก็ไปขั้นๆไป เป็นขนาดขนาดที่เราจะต้องจับสันปรับตัวไปปรับตัวไปจนที่สุดใจสะอาดอารูปแบบไม่ถือเงินไม่ถือทองไม่ถือสีอไม่ไม่ถือรูปลดกลินเสียงสัมผัสอะไรต่างๆนาน า, น า, น า, นารูปรดกรินเสียงสัมผัสจิตสะอาดแล้วเป็นอุเบกขาเป็นเนคคามัสิตะอุเบกขาเวทนาเป็นความรู้สึกที่ลอนสะอาดจริงๆไม่ผลักไม่ดูดแล้ว เพราะฉะนั้นรูปกลิ่นเสียงสัมผัสนี่บริสุทธิ์สะอาด จ, จริงๆเลยปริสุทธิ์าประโยชธาตามุทุกัมมัญญาประพัดสรานี่เป็นคุณลักษณะองค์ธรรมหของอุเบกขาบริสุทธิ์ปริสุทธิ์ธคือบริสุทธิ์ประโยชนธาตาก็เรียกว่าไม่ผักไม่ดูดไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เย็นไม่ร้อนไม่หนาวไม่อะไรละไม่มีลักษณะอย่างโลกีละประโยชธาตามุทุที่จริงภาษาแปลว่าอ่อน เป็นจิตวิญญาณเป็นลักษณะของพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยอย่างอ่อนแววไวรู้ก็ง่ายเชิงปัญญาก็รู้ง่ายปรับก็ง่ายด้วยปรับตัวเองให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้มากให้น้อยให้แรงให้เบาอ่าให้เอาไม่เอาให้วางให้ยึดมุทุปรับได้เก่งเพราะเจ้าของจะสามารถอุเบกขาเนี่ยเป็นพลังงานที่ตัวเองสามารถควบคุมจิตนี้จะให้เป็นให้มีให้นอให้นี่อะไรได้ โดยมีปัญญารู้ควบคุมได้ว่าไอ้สิ่งไม่ไม่ดีนี่ไม่ทําแล้วสรรพปาปัสะอาดกระนังไม่ทําแล้วถึงยังไงก็ไม่ทํำยังมีผลิตมีประสิทธิภาพสมบูรณ์เลยนะมีอย่างประสิทธิภาพอย่างประจักษ์สิ์เลยไม่สามไม่ทําทําก็ไม่เป็นทําก็ไม่คล่องทําก็ยากสิ่งที่ไม่ดีหยุดมาแล้วจนกระทั่งมันไม่เป็นแต่กุศลก็ทาเป็นบบ อันไหนที่ฝึกได้ดีมากก็ทําได้คล่องมากอันไหนที่ฝึกได้อย่างโอโหทั้งวิเศษทั้งคุณภาพดีด้วยก็อยู่ในฐานะแต่ละบุคคลทําได้ดีนะเลยบอกจิตอ่อนจิตหัวอ่อนจิตปรับได้ง่ายรู้ได้เร็วด้วยรู้ก็มีประสิทธิภาพต่างกันเหมือนกันบางคนก็รู้ได้มากอย่างพระอริยะองค์นี้นี่มีปัญญาญาณรู้ได้เร็วกว่าแววไวกว่าสูงกว่ามีประสิทธิภาพทางปัญญาสูงกว่า ก็เป็นจริงคนที่ยังไม่ถึงก็ไม่สู้ไม่ได้อย่างพระอรหันต์ธรรมดาจะไปสู้พรุทธเจ้าเลเชิงปัญญาอะไรต้นสู้ไม่ได้หรือพระอริยะที่เป็นผู้ที่มีญาณสูงๆก็สู้ไม่ได้ก็ต้องฝึกไปฝึกไม่ได้ได้เท่านั้นก็เท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ยังเร็วไม่เหมือนฆราวาสหรือไม่เหมือนไม่ใช่ฆราวาเท่านั้นไม่เหมือนปุถุชนไม่เหมือนคนที่ยังไม่เจริญยังไม่พัฒนาหรอกพวกนี้มันไม่ไปไปไมได้ไปมันไปยากนะเพราะงั้น พลังงานเหล่านี้เกิดได้จากเจ้าของเป็นผู้รู้และเป็นผู้ฝึกจนเป็นจนกระทั่งถึงคุณลักษณะอุเบกขาของว่าเนี่ปาริสุทธาประโยชนธาตามุตุกรรมัญญามีการงานเป็นสามัญกรรมัญญามีการงานอย่างมีปัญญาคุมการงานใดก็เหมาะสมการงานใดก็เหมาะควรการงานใดก็ดีเพราะฉะนั้นจะทำกรรมมีแต่กรรมที่เหมาะที่ควรที่ดี ท่านแปลเหมือนกับกรรมนิยะนี่แหละเหมาะคนแก่การงานกรรมัญญาห่เป็นคุณลักษณะของจิตวิญญาณที่มีการงานกรรมัญญาไม่ใช่ว่าจิตวิญญาบริสุทธิ์หรือจุจิตวิญญ า, รร อ, ญญาอุเบกขาแล้วอุเบกขาคือไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆไม่ใช่จิตอุเบกขานี่ทํางานแต่มันไม่มีอกุศลอะไรมาทำอะไรได้มันไม่ผลักไม่ ด, ดูด แม้จะดูดความดีแม้จะยืดยดยึดดีกระทาก็สามารถวางดีไม่ยึดดีเป็นเราเป็นของเราถ้าหากยังยึดจิตอุเบกขานี้เป็นเรามันก็ยังเป็นอุปกิเลสเป็นวปิปัสนุปกิเลสไม่ยึดเมียแต่จะมีคุณภาพถึงขนาดนี้แล้วล่ะก็ไม่หลงว่าเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยามอย่างเป็นต้นนี่เป็นภาษาเพราะงั้นคนไหนที่รู้ก็ต้องไปฝึกว่าออาการอุเบกขาเป็นขนาดนี้ แล้วเราจะยึดว่าไม่ใช่เราเราคืออะไรคุณก็ต้องรู้ตัวเองว่าเรามันยึดเป็นพบเป็นชาติเป็นเราคืออย่างไรเราวางได้คืออย่างไรอันนี้เกินภาษาจะพูดแล้วคุณรู้เองแล้วก็จะต้องไปฝึกเองเพราะสามารถที่จะมีการงานกระทำการงานอยู่อย่างดีเป็นสามันไม่ใช่มีการงานอุเบกขาได้มีการงานอุเบกขาทาการงานอันเหมาะอันควรอันดีอันงามอย่างกุศลให้ถึงพร้อมรือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษประเสริฐ ตามควรอย่างนั้นเรีมัชย์มาปฏิปทาของท่านอุเบกขาเนี่ย ม, มีคุณลักษณะกรรมัญญาประพัสราไม่มีมนไม่มีมองไม่มีรีไม่มีเหี่ยวไม่มีโรยรุ่งเรืองวาววามประพัสราประพัสสอนรุ่งเรืองสดใสแจ่มสว่างอยู่อย่างนั้นน่ะเรียกว่าประพัสรานี่คุณลักษณะหประการของอุเบกขาทุกวันนี้ผู้อุเบกขาก็คืออะไร ไม่เอาฐานทิ้งอุเบกขาคือว่าไม่เอาแล้วว่เฉยแล้วเออต้องอุเบกขาเนี่ย ว, ว่าเลิกกันไปอุเบกขาคืออย่ามายุ่ง ก, กับกูกูไม่ยุ่งกับมึงอุเบกขาแปลว่าอย่างนั้นกันนะทุกวันนีนะ้ใครก็เข้าใจว่างันมันไม่ใช่มันลึกซึ้งกว่านั้นมันวิเศษลึกซึ้งมากอุเบกขาเนี่ยมันวางเฉยจริงๆมันวางเฉยตอกกิเลสอุปทานโลกียะ มันไม่ดูดไม่ผลักโลกียะมันเฉยต่อกํานาจของโลกียะหรือกิเลสตัณหาอุปทานของโลกนี่นกระแทกกระทุ้งยังไงก็ไม่มีวันไหวไม่มีแ ป, ปรปลวนไม่มีเป็นอื่นเลยคงทนอยู่อย่างนั้นแหะว่างวางโปร่งอยู่อย่างนั้นน่ะประภัสราอยู่ยงั้นน่ะเรียกว่าอุเบกขาคุณลักษณะวิเศษอันนี้พุทธะโสโลกะธรรมะจิตตังยัตสกนักัมปติ สัมผัสพุทธสารโลกะธรรมะเหตุก็คือโลกธรรมสัมผัสโลกะธรรมจมหยาบจะยังไงยังไงก็ตามแต่มาสัมผัสมากระแทกมากระทุง้งพุทธสารโลกะธรรมะเหตจิตตังยัตสจิตนี้ณนะกรรมปติไม่มีหวั่นไหวไม่มีเคลื่อนครอนไม่มีอาการอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยจึงเรียกว่ากระเสมีมเรียกว่าเข็มมังจึงเรียกว่าอุเบกขาที่เป็นคุณลักษณะสมบูรณ์ มันน่แะแปลกันตื่นๆต้นแตา่าคือเฉยบ่างเฉยแล้วว่างเฉยก็แปลกันง่ายๆเฉยเฉยได้วางได้วางได้โปร่งได้อยู่เฉยเฉได้ไม่ดูไม่พลักไม่อะไรแล้วนี่แต่ก็มีพลังงานในตัวมีคุณลักษณะวิเศษมันรึกซึ้งอย่างนี้นะแล้วถ้าใครมาเรียนรู้พลังงานของพระเจ้าที่ชนคว้าและฝึกฝนพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์เอก ยอดเลิศเนี่ยพิสูจน์พลังงานอย่างยอดเยี่ยมอันนี้ได้เนี่ยใครได้มาฝึกได้มาทํำจริงๆพิสูจน์ล้วจะเห็นจริงอัตมาโอ้โหมาฝึกฝึกตามท่านได้เป็นนักวิทยาศาสตร์มาในระดับหนึ่งมือนกันโอ้โหยังไม่เท่าไหร่หรอกยังไม่เก่งเท่าไรหร่เราก็แค่นี้แต่มาเห็นดีเห็นงามโอ้มันเป็นประโยชน์คุณค่าจริงๆไม่ต้องไปดูดซับเอาของใครเขามามากมายอะไรโอโ้วิเศษจริงๆ ถ้ายังดูซ่งดูทรัพย์อยูน่นะยังไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธหรอกอมันจะได้ได้ปลูกเร้าบอกคุณเป็นดูตองเข้ามาอัตมาไม่เคยมาปลูกเร้าบอกคุณป็นดูเอาทรัพย์ใครมาเลยนะมีแต่ให้พวกคุณให้เอาออกไม่ค่อยเอาออกใช่ไหมมีหลายคนยังมีอยู่เยอะลพยายามปกปิดอัตมาไม่มีเดี๋ยวจะมาบอกให้ อ, ออกอีกไม่ให้รู้ ทำทีไม่ให้รูนะ้ว่ามีอยู่อะไรเนี่ยไม่เคยสอนว่าคุณไปดูดทรัพย์ใครมีแต่ให้สร้างสรรทรัพของเราคือคุณภาพของเราทรัพแท้ก็คือสมรรถนะและความรู้ของเราในตัวพร้อมกับความขยันคุณมีสมรรถนะสูงมีความรู้สูงแต่ไม่ขยันขี้เกียจ น, นั่งมันเฉยเงี้ยมันจะไม่มีทรัพอะไรหรอกไม่ออกมาเป็นทรัพแซฟอะไร ถ้าไม่ขยันหรือไม่ลงบทมือลงบทบาทพัฒนาหรือกระทำองไปกิกรรมถ้าไม่กระทำไม่มีกิริยาจะมีสมรรถนะให้ตายยังไงก็ปิตวานก้าวเลยนะนังไม่มีซับแซบอะไรแล้วคนนี้ต่อให้เก่งกาศมีความรู้ความสามารถขนาดไหนก็ช่างไม่มอเกิดคุณก้าเลยโดยหลักเศรษฐศาสตร์ไม่มี เหมือนก้อนดินก้อนหินก้อนดินก้อนหินยังดีนะเอาไปถม ถ, ถนนถมนนทมนี่ได้ไอ้นี่คนทั้งค น, นยังไม่ตายนะเอาไปถมถนนก็ไม่ได้ไม่มันซวยจริงๆนักแผ่นดินอยู่ตรงเนี้ย น, น, นั่งปุ๊บเนี่ยรัฐิฤทีรฤทธิอะไรเข้าใจแบบเนี้แล้วก็ไปทําอยู่เงี้ยวางวางแล้วหลุดพ้นก็ไปเกี่ยวอะไรอุเบกขาแล้ววางปล่อยไว้ไม่เกี่ยวรุดโลกโลกกีไม่เกี่ยวเขาก็พูดได้ พูดได้เนกันในในยะหนึ่งก็พูดเชิงนั้นนะแต่มันต่างกันที่อาตมาพูดนี่นอธิบายนี่มันต่างกันมันมีความซับซ้อนลึกซึ้งต่างกันอยู่ใช่ไหมแล้วมาพิสูจน์สิอย่างพระพุทธเจ้านี่ยากกว่าอย่างงั้นง่ายศึกษาอย่างฤาษีนี่ไม่ยากหรอกฝึกเอาให้มากๆจะหนีหนีพ้นออกไปไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ธรรมอยู่ที่ไหนแล้วคนเข้าใจง่ายเลยนะว่าเป็นคนหนีโลกีไม่เอาโลกีใช่ไหม ไอ้นี่อาตมารำนี่ยังอยู่กับโลกีบางทีมือก็เอานะและ้วอาตมาบอกว่าอาตมาไม่เอาคุณจะเชื่ยอยังไงก็มือรับอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ว่าเฮ้ยไม่เอายังไงมือก็มือรับอยู่เนี่ยรับรับอยู่เงี้ยแล้วบอกไม่เอาแล้วบอกว่าสงบซึ่งบอะไรกันที่เดี๋ยวพูดก็ดังว่าคนนั้นคนนี้เขาตะพุ่ตะพืออยู่อีกอะไรต่างๆนานานะสงบซึ่งกบอะไรกันโอปากจัดด้วยอะไรเออดีแต่ว่ามันไปทํากิริยากายไป ทำรายคนนั้คนนี้เขาตอนนั้นนะแต่ปากดูเหมือมนมันมีห อ, อกมีดาบท่านก็ใช้ในสมมว น, น ไ, ปไปแต่ไปดก็ว่า ม, มาีแทงกันด้วยห อ, อกดาบทั้งปากปากห อ, อกดาบทั้งปากกันพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันก็แทงกันด้วยห อ, อกปากทั้งดาบไ อ, อ, อห อ, อกดาบทั้งปากนอพูดไปสับสนอ่แทงกันด้วยห อ, อกปากทั้งดาบเอ <laughs> หอหอกดาบทั้งปาก เนี่ยแทงกันอยู่ทิ่มทิมแทงกันได้หอกปากท่านก็ว่าหอกปากแหละท่านทิ่มแทงกันได้หอกปากก็เท่านั้นแหละอกริยากายนี่นะนี่เราเห็นได้อโศกระมาจนป่านี้ย0่สปีแล้วทำรายกันเลือดตกจางออกว่ากันจนทั่งเข้าโรงพยาบาลหามสู่โรงพยาบาลมีแทงกันมีตีกันมีอะไรกันยังไม่เคยมีหรอกแต่หอกปากนี่เจ้าปะคุณเอวาต่มารเมื่อจริงๆบางคนนี่ถือเลยนะ ช้ำแทงเขานี่ทือของตัวเองถือสนะัตั์คนนั้นก็ช้ำบวมเป็นหนองบางคนก็คมนะไห้เชียบโอ้โหกว่าจะรู้สึกตัวโอ้โหถูกแทงเลือดโชกก็เนี่ยกว่าจะรู้ตัวบางทีตั้งหลายวันโอเพื่อนเล่นแทงเียอะไรเงี้ยหอกปากเนี่ยเพราะว่ากันไปอะไรกันไปจริงๆก็คือติงกันเตือนกันติเตือนกันบอกสิ่งที่ไม่ดีไม่งามกันนั่นเรถือว่าหอกปาก หรือถือว่าว่าสิ่งที่ควรตำหนิติดเตียนสิ่งตำหนิติเตียนเป็นเรื่องสําคัญมันควรตำหนิติเตียนกันแต่ต้องมีปัญญามีการประมาณคืนไม่ประมาณแล้วมันก็มากไปเกินบางทีไม่ถูกกาละบางทีไม่ถูกหมู่กลุ่มไม่ถูกกาละเทศะไม่ถูกสถานที่ไม่ถูกอะไรก็แล้วแต่ก็หลายอย่างเราจะต้องรู้จกักมีปัญญารู้จักมารยาทสังคมด้วยทาให้พอมาพอดีเรียกว่าสัพพิสธรรมเจ็ประการของพระเจ้า คนที่มาเรียนรู้พลังงานพวกนี้แล้วเสร็จควบคุมได้สิ่งที่ไม่ดีดับได้เหลือแต่พลังงานที่ดีเป็นหลักประกันท่านท้าทายยืนยันว่าได้แล้วได้เลยได้ถึงขี่ถึงขั้นแล้วโสดาก็ได้ขนาดนี้ก็ได้แล้วได้เลยไม่ถอยหลังส ก, กิทาก็ยิ่งเดินหน้าอนนาฆะก็ยิ่งเดินหน้าอารหันก็แน่นอนเลยแล้วจะเพิ่มภูมิคุ้งามความดีความประเสริฐความเก่งความสามารถขึ้นอีกไปอีก จนถึงสัมมาสัมโพธิญานมีสิทธิของใครของมันใครจะเอาก็เอาสิแต่มันก็ทุกเนะทุกที่มันไม่ใช่ทุกอริยสัตว์ไม่ใช่ทุกที่มันไปทําร้ายทำร้ายใครแต่ทุกโดยส่วนตัวนะ่ะไม่ได้ทาร้ายเป็นทุกไม่ใช่ทุกไปทําร้ายใครทุกมีแต่ต้องรับตัวเองอย่างทุกวิบากพระพุทธเจ้าต้องมีวิบากขนาดตรัสรู้พระพุทธเจ้าแล้วยังมีอคุศลวิบากมาตามท่านก็ทุกข์ของส่วนตัวท่าน ทุกปวดขี้ปวดเดี่ยวทุกต้องแสวงหางานการทุกจะแสวงหาอาหารมาอย่างขันไว้อะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีทุกพยาธิทุกมังทุกสันตสันตาปทุกมังอะไรทุกเอ้สันตาปทุกเนี่มันทุกล้างได้นี่เนาะสันดาสันตาปทุกเนี่ยทุกล้างได้นะทุกอริยสัจซึ่งอาตมาอธิบายไปแล้วนะทุกต่างๆที่ท่านกระตัดไว้ก็มีหลักภาษามีอะไรตัไห เพราะฉนั้นใครจะบเพ็ญต่อก็ทุกส่วนตัวนี่แหละมันไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแต่ทุกที่เป็นอริยสัจนี่มันเบียดเบียนผู้อื่นนันเบียดเบียนผู้อื่นะทุกพอมีความโลภโกรธหลงอยู่ในตัวมันเบียดเบียนผู้อื่ น, นเพระกกรนนนจนกว่าจะหมดโลภโกรธหลงแล้วก็มีทุกแต่ส่วนตัวจะทนไหมล่ะทนทุกอันนี้แล้วก็จะศึกษาเพื่อประโยชน์แก่หรือขนสัตว์หรือว่าเผยแพร่ลทัทธินะอาตมาเคยพูดเคยบอก ว่ผู้ที่ตรัสรู้เป็นอรหันต์แล้วเนี่ยส่วนมากก็จะตั้งจิตโพธิสัตว์เป็นส่วนมากจะไม่ตั้งจิตเป็นโพธิสัตต่อ น, นั้นส่วนน้อยเพราะอะไรเพราะหนึ่งทุ ก, มนนทกมมม์มันน้อยแล้วจริงๆริงพอเป็นอรหันต์แล้วทุกมันมันหมดไปจริงๆมันน้อยแล้วจริงจเพราะฉะนั้นทุกโลกียากนี่ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่หรอกมีแต่ทุกอุปบากหรือทุกอะรตามที่มันเลี่ยงไม่ได้อย่างที่ว่านะั้นก็สู้เอานั่นหนึ่งสอง ท่านจะกะตัญญูกะตะเวทีต่อพระศาสนาพระอาหารหันต์มีกตัญยูกะตะเวทีนะพระาะฉเมื่อตรัสรู้เป็นอาหารหันต์แล้วก็โอ้เราจะปีกหนีไปแต่ช่องน้อยแต่พอตัวไปเดียวไปเลยเนี่ยน้อยน้อยรูปน้อยองค์หรอกพระนักโพธิตรัสรู้เป็นอาหารหันต์แล้วนี่แม้จะไม่ตั้งใจจะเป็นโพธิสัตว์ก็เถอะส่วนมากก็จะลองดูหน่อยก็ดีนะอ่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมีอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์มีอะไรอะไรอย่างน้อยกับ มาช่วยมนุษย์ชาติตาดำๆเนี่ยจะมีเมตตาจะรู้จุดสึกเห็นใจคนมีทุกข์มันเป็นความจริงมันไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันเห็นความทุกข์จริงๆเลยคนมันทุกข์จริงๆะมันก็อืคนเราก็น่าไม่เป็นพระอรหันมันก็ยังคิดจะช่วยคนอยู่บ้างโอ้เห็นก็ทุกข์มันก็ยังมีจิตใจคนที่มีเยื่อใจดีมีกุศลจิตแล้ไมเป็นพระอรหันนมันมีอกุศลจิตที่ไหนกันหรอมันมีแต่กุศลลจิตมันก็จะต้องเกื้อกูลมันจะต้อง กตัญญูกตเวทีต่อพระศาสนาอย่างน้อยก็ช่วยพระศาสนาไปบ้างเท่าที่จะทนได้เพราอไปไปมาม า, ม, ามันยากอ่ะเป็นโพธิสัตว์จะไปถึงสมมาสัโพธิญาาก็ไปดีทายกันกลางทางกันเยอะก็ทําตั้งอย่างน้อยก็ทําไปช่วครั้งช่วคราวช่วระยะหนึ่งอ่อย่างที่อาตมาว่าเหตุผลก็ฟังฟังก็คงฟังขึ้นคงคงฟั ง, ฟ ง, ฟ ง, ฟ ง, ฟงพอรู้นะเหตุนี้เป็นต้นไม่ต้องเจตนาละเพราะงั้นไม่ต้องไปคิดแล้วว่าเราจะตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์ไม่โพธิสัตว์อะไรเอาอาหารหันได้ก็ได้ก่อนเถอะ เอาอาหารเลก่นเถอะนะพอได้อาหารเลยคุณจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวคุณก็รู้เองอ่ะจะเป็นของคุณเองจะทําให้ทําก็แล้วแต่นะเพราะมันเป็นคุณค่าประโยชน์เพราะัใครสามารถที่จะเรียนรู้พลังงานแบบนี้ดีกว่าไปเรียนวิศวะไปเรียนอะไรเขาไปเรียนวิทยาศาสตร์มากมายในโลกนี่สอนกันโอ้ยถ้าจะไปเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์ก็ตามคุณก็จะต้องเรียนรู้เรื่องพลังงานทางจิตวิญญาณนี่แหละยิ่งสําคัญยิ่งเจ๋อเลย ถ้าเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางนี้ทางพลังงานนามมาทําพลังงานทางจิตวิญญาณมันที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เก่งนะทีแ่แรกก็มันก็มาทํางานทําประโยชน์ได้เพราะฉันถ้าไปไปวิทยาศาสตร์ทางโลกทางวิทยาศาสตร์ทางรูปธรปรมวัตถุมันก็ไปสร้างไปสร้างแประไรได้นะเพราะฉะนั้นาศาสนาพระเจ้าถึงมีทั้งงานการที่เป็นเรื่องรูปธรรมวัตถุท ำ, ท ำ, ท ำ, ทำด้วยเพราะคนต้องอาศัยวัตถุอาศัยรูปอยู่ไม่ใช่มีแต่นามอย่างเดียว ร่างกายเรานี่รูปทั้งนั้นแหละวัตถุทั้งนั้นแหละดินน้าลมไฟสังเคราะห์ร่างกายแม้แต่เป็นวิทยาศาสตร์ทางความร้อนแสงเสียงไฟฟ้ามันก็ในวัตถุรูปทั้งนั้นซึ่งมันยังจะ ต, ต้องสังเคราะห์ยังจะ ต, ต้องอาศัยใช้ไปจะใช้ประโยชน์จะใช้การงานอะไรก็ต้องอาศัยมันทั้งนั้นเพราะนับรู้มันไม่ได้โลกุตระสรุปแล้วจึงเป็นคนรู้จักโลกียะพูดสูงสุดเป็นโลกุตระเป็นอาหารหันต์จบหมดโลกุตระก็จบกันสําหรับตัวเองนะ นอจาจะเผยแผ่แบอกคนอื่นเขาต่อกันอีกเรื่องหนึง่งสังสมต่อไปจากนั้นมีเตโลกีอิที่ปาฏิหาริ์ก็โลกีอาเทศนาปาฏิหาริ์ก็โลกีพลังงานทางวิทยาศาสตร์ทางวัตถุก็โลกีทั้งหมดกุศลอกุศลอยู่ในโลกนี้ก็โลกีทั้งหม ด, หมดเพราะฉะนั้นพระอระหันนี่คือคนโลกีงงไหมพระอระหันคือคนทํากรรมกริยาโลกีธรรมดาเพื่อประโยชน์ ท่านรู้จากกุศลอ ก, กุศลและท่านไม่ทํากุศลสรรพปาปะสกฤตังไม่ทําอกุศลแน่นอนบาปไม่ทำทำแต่กุศลเท่านั้นและเป็นโลกีกุศลอ ก, กุศลดีชั่วอโลกีทั้งนั้นนะเพราะโลกีจึงยิ่งใหญ่โลกุตรนะนั้นมันก็ส่วนตัวเท่านั้นล้างกิเลสให้หมดให้จบโลกุตระเพราะยิ่งล้างกิเลสหมดก็ยิ่งมีประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่เป็นบาปเป็นภัยต่อใครต่อใครตนเองก็ไม่เป็นคนอื่นก็ไม่เป็น หรือเป็นน้อยลงน้อยลงน้อยลงเป็นโดาสกิทานากน้อยลง น, า น, ากากน้อยล ง, นยล ง, นยลงจนกระทั่งอรหันต์ก็หมดหมดบาปหมดพิษหมดภัยต่อผู้อื่นตนด้วยมีแต่ประโยชน์ในโลกเท่านั้นก็เป็นโล ก, กียะแท้ๆไม่งงนะพระอรหันต์คือจอมโลกีสรุปไปฟังเพราะฉะน้อย่าไปสงสัยพระอรหันต์นี่อย่าไปสงสัยว่าเอ๊ะท่านาาทำไมทอย่างคนโล ก, โลก ท่านอย่างคนโรคๆตามประมาณของท่านอย่าไปยุ่งกับท่านเดี๋ยวท่านจะซื้อเกือกให้อย่าไปยุ่งกับท่านท่านจะประมาณตามควรเพราะฉะนั้นในแม้แต่ในวินัยพระพุทธเจ้าก็บอกถ้าเป็นอรหันต์ก็ต้องยกสติวินัยท่านต้องรู้จักและมีสติรู้จักดีจากไม่ดีจากอะไรของท่านยกอย่าไปเอาบาปเอาผิดอะไรกับท่านเอาวินัยมาจับท่านเอาข้อกฎระเบียบน้นนี่มาจับท่านไม่ได้อย่างนีเป็นต้นให้ยกเสีย เพราะถ้าจะยกก็ยกพวกพระในโมกลุ่มก็ปลอกประกาศนี่ถ้าเป็นพรอรหันต์แล้วอยไปเส่งโทษท่านอย่าไปถือว่าท่านอาบัติโ น, นอาบัตินี้เพระท่านบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วท่านก็ทําตามภูมิของท่านอาจจะมากไปบ้างน้อยไปบ้างก็ได้เพราะพระอาหารหันต์มีภูมิไม่เท่ากันถ้าพระอาหารหันต์ที่เก่งเก่งสามารถมีสัพพุริสธรรมสูงก็ผิดพลาดน้อยห่อยนะถ้าไม่สูงก็ผิดพลาดอาจจะมากหน่อยก็แล้วแต่แต่ถ้าเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีไม่มีเจตนาที่เป็นอกุศลแน่นอน แต่ท่ามีฟีมือเท่านั้นอย่างนั้นจริงๆก็เป็นได้เพราะจะบอกว่าพระราหันมีความผิดไหมผิดพระราหันก็ผิดได้แต่ท่านไม่มีอมานาอัตตาเท่านั้นเองผิดได้ผิดจริงๆท่านจำนวต่อเหตุผลต่อหลักฐานต่อทุกอย่างท่านก็อ๋ก็ผิดก็ผิดท่านก็ปรับผิดได้เพราะพระรหันก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านไม่ได้มีจิตกระมานาอัตตาอะไรนี่ท่านก็สบายๆผิดก็ผิดถูกก็ถูกมันผิดก็ผิดจริงๆก็ผิดสิเพราะผิดถูกมันคือสมมุติผิดถูกมันคือสมุติ ท่านเอผิดก็ผิดมันผิดก็ปรับปรุงใหม่จะกระจำไว้มีความจริงใจที่จะจำไว้ไนี้ผิดอย่าทำอัน ท, ที่มันถูกไปทําสิ่งที่ถูกเถอะอันนี้มันมันผิดพลาดนี่มันไม่รู้นี่อะไรนี่เป็นตน้นน ะ, อ, ะอ้าวละอาตมาไม่มีเวลาต่อแล้วเพราะว่าเราจะมีงานนะอะไรอีกนีกก่จะเลอะไปพูดไปพูดมาก็สินาทีนะมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์อาตมาซะและ้วมาไม่เกินเวลาไม่ใช่โพธิรักนะเราจะเทศ 10- งสถึงสิบโมง ได้พระซ้าพูทเท้าวิสุดพุดทธองใสตัดมูลกิเลสกลายหลีกละนหนสิ่งรื่นรมทำได้ทันตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชม โลที่โศกสมดับพระธมด้วยพระธรรมอา